การเดินทางไปประเทศทางยุโรปนะมีโยมนิมนต์ไปบรรยายธรรมในหลายประเทศแถบนั้นประเทศหนึ่งที่ได้ไปก็คือสวิตส์เป็นประเทศเล็กๆนะแต่ว่าสวยงามแล้วก็สงบทีเดียวแค่ออกจากเมือง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 แนวสะพานหรือว่าจะเรียกว่าระเบียงหรือว่างนะก็จะเป็นตะไคร่เหล็กซึ่งมันทำให้เรียกว่าทําลายทัศนียภาพนะแล้วทำให้สะพานนี้ก็ไม่สวยเลยนะก็ถามเขาว่าขึ ง, ขงตะไคร่เหล็กไว้ทําไมนะตลอดแนวสะพานก็ได้คําตอบว่าเพราะ กลัวคนนะโดดลงไปฆ่าตัวตายนะโดดลงน้ำบ้างโดดลงพื้นบ้างบนสะพานนี่มีคนโดดลงไปฆ่าตัวตายนี่เยอะจนกระทั่งก็ต้องเอาตะกายเหล็กมาขึงเอาไว้นะป้องกันอาการฆ่าตัวตายของคนที่นั่นก็คงจะมีมากทีเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่ตรงนั้นทีเดียวนะ ่าติโยม ง, งานไทยเขาบอกอยังมีที่อื่นอีกนะที่คนเาโดดลงมานะบางทีโดดลงมาก็ตกลงมาบนหลังคาบ้านของผู้คนก็เดือดร้อนกันอีกอันนี้มาแสดงว่าถึงแม้ว่าเมืองที่นั่นหรือประเทนนั้นเนี่ยนะจะมีความสงบนะแต่ว่าผู้คนจานวนไม่น้อยก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่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 เนี่ยขนาดเรื่องพื้นๆแบบนี้นะคือเรื่องคู่ครองเนี่ยแล้วยิ่งเรื่องที่มันลึกไปก่นนะั้นคือเรื่องในใจเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าเราตต้องการอะไรนะแต่ว่าพอจะรู้ก็ต่อเมื่อได้เจออะไรบางอย่างได้เจอสิ่งที่เราต้องการฝรั่งหลายคนเนี่ยก็แสวงหานะไม่รู้ว่าเรต้องการอะไรรู้สึกว่ามันขาดพอเดินทางมาถึงอินเดียก็รู้ว่าเออเห็นคน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 มันดูใจมันมองตนเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันทำให้เราไม่สามารถจะเพืความสงบในใจได้เนี่ยคือความคิดปรุงแต่งหรือว่าความหลงไม่รู้ทันมันนั่นเองซึ่งทำให้เกิดความติดยึดนะเมื่อรู้ทันก็จะวางที่จริงระหว่างการยึดกับการวางเนี่ยอะไรมันง่ายกว่ากันนะระหว่างการแ บ, บกบการปล่อย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 วันสุดท้ายนี่ก็ก่อนที่จะกลับเข้าฮอลแลนด์นะโยมคนไทยเขาก็พาไปพิพิธภัณฑ์นะหลังจากพิพิธภัณฑ์เสร็จก็ใกล้เวลาเพลนพอดีนะก็พาเข้าร้านอาหารร้านอาหารนี่คนก็เยอะนะแล้วก็ระหว่างที่รออาหารนะก็คุยกัน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 เจ้าของกระเป๋านี่เขาก็เขาก็บอกว่าเขาพลาดไปนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะกระเป๋านี่าวางไว้บนตักนะพราะเขารู้ว่ามาดริดเนี่ยพวกมีฉาชีพเยอะนะสเปนเนี่ยมาดริดหรืออิตาลีเนี่ยนะมีฉาชีพจะเยอะมากแล้วเขาก็อยู่ที่สเปนมานานนะเรียนปริญญาเอกเขาก็รู้ว่าเผลอไม่ได้นะก็ตั้งใจว่าจะเอากระเป๋าวางไว้บนตักนะ ไม่ใช่วางไว้ข้างหลังนะแต่ว่าคงคุยเพลินนะเผลแป๊บเดียวกระเป๋าหายแล้วในนั้นก็มีเอกสารเยอะแยะนะไอ้เงินไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีเงินก็แค่30มสิ e ยูโรยูโรนึงก็ประมาณ 30-40 บาทก็พันกว่าบาทแต่ว่าไม่ไม่ค่อยน่าเสียดายนะไอ้ที่น่าเสียดายคือพวกเครดิตการ์ดพวกบัตรประชาชนพวกบัตร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 อะไรจะมาทำให้ทุกข์ใจก็ทุกข์ใจได้ไม่นานก็รู้จักนะพาใจกลับคืนสู่ความปกติได้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาหรือเพราะวางได้ปล่อยได้อาช้านนี้เพื่ท่านี้นะกรับพระ